มีถนนเส้นหนึ่งนะตัดผ่ากลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตัดผ่านนะผ่าเลยนะแล้วบริเวณที่ถนน น, นั้นเนี่ยตัดผ่าเนี่ยมันก็ไปผ่าเอาเส้นทางเดินของช้างีเรียกว่าด่านชา้างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็มีช้างอยู่หลายโขลงเลยนะ แล้วก็เขาก็อาศัยด่านช้างนี่แหละนะในการสัญจรไปมาแต่พอมีถนนตัดผานเนี่ยหรือตัดผ่านเนี่ยนะมันก็ขวางเลยนะถนนก็ขวางาเส้นทางเดินของช้างและช้างเนี่ยเขาก็จําเส้นทางเดินของเขาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะมีถนน ผาขวางทางเดืองช้างเขาก็ยังสัญจรเส้นทางนั้นเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีคนที่ขับรถเนี่ยบนถนนเส้นนั้นเนี่ยก็จะเจอช้างนะไม่ใช่แค่กลางคืนบางทีก็กลางวันแล้วก็บางครั้งเนี่ยช้างก็เดินทางกันเป็นโขลงเลยนะ มีทุกวัยทุกเพศนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาถึงหลานเลนนะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเนี่ยขับไม่ระวังก็อาจจะชนช้างได้อย่างที่เคยเกิดเหตุต่อหลังก็เลยมีการติดป้ายนะป้ายใหญ่ สีเหลืองเหลืองเขียนว่าเนี่ยระวังช้างป่าสัตว์ป่าข้ามถนนนะก็หมายความว่าไม่ใช่แค่ช้างอย่างเดียวนะอาจจะมีพวกสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะเช่นเก้งกวางแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นช้างนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสัญญาณเพื่อให้คนขับรถที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้นเนี่ย ระมัดระวังและบางทีพอช้างนะเดินผ่านนะรถก็ต้องหยุดนะรถติดยาวเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีโขลงช้างนะที่ใช้เส้นทางนั้นเนี่ยสัญจรไปมา อย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีช้างตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลยตัวผู้ด้วยไปยืนอยู่แถวป้ายที่ว่าเนี่ยทีแรกเนี่ยก็นึกว่าเขารอจังหวะนะรอจังหวะว่าถนนว่างเนียเขาถึงจะเดินข้ามถนนแต่ไม่ใช่นะตอนที่ถนนว่างๆเนี่ยเขาก็ไม่้เดินข้ามถนนนะเขารออะไรบางอย่าง รออะไรรู้ไหมรอรถขนอ้อยพอรถขนอ้อยมาเนี่ยนะช้างซึ่งยืนอยู่ริมถนนเนี่ยก็จะเดินขวางถนนเลยนะขวางถนนเพื่อให้รถอ้อยนี่หยุดก็เรียกว่ากล้านะเพราะว่าช้างบางตัวไม่กล้านะกลัวโดนรถชนนะโดยเพราะรถอ้อยนีมันใหญ่แต่ตัวนี้นี่ไม่กลัวนะ ตั้งใจยืนขวางเลยขวางรถอ้อยทำไมนะขวางรถอ้อยเพื่อจะเอาอ้อยนะนะเอางวงเนี่ยนะไปม้วนเอาอ้อยมาพอได้อ้อยแล้วถึงค่อยปล่อยให้รถล่นผ่านบางทีรถนะพอรถที่ไม่รู้ไม่รู้จักนิสัยช้างตัวเนี้ยพอเห็นช้างเนี่ยตัวนี้เนี่ย ยืนขวางถนนเนี่ยรถก็พยายามเลี่ยงไปอีกเลนหนึ่งนะเลี่ยงหลบไปอีกเลนหนึ่งแต่ช่างนี่ก็ไม่ลดละนะไปขวางอีกเลนหนึ่งแสดงว่าตั้งใจนะตั้งใจที่จะหยุดรถอ้อยเพื่อเอาอ้อยมากินแล้วเขาก็ดีนะพอเขาได้อ้อยเสร็จนะเขาก็ปล่อยให้รถเนี่ยแล่นผ่าน ถ้าไม่ใช่รถอ้อยนี่เขาก็ไม่สนใจนะยิ่งรถรถเก๋งตัวนี้เขาไม่สนใจเลยเขาก็ยืนอยู่ริมถนนนะปล่อยให้รถเก๋งเนี่ยแล่นผ่านแต่ถ้าเป็นรถอ้อยเมื่อไหร่นี่เขามาควางเลยนะเนื่องจากว่าเป็นช้างยิฉลาดนะรู้ว่าไอ้รถชนิดนี้หน้าตายเงี้ยมันมันทุกอ้อย คือเห็นหน้าตาของรถเนี่ยเห็นหน้ารถนี่ก็รู้แล้ววันนี้นี่รถบรรทุกอ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมายืนขวางถนนเลยโอติชาเนี่ก็ชอบจะไปหาของป่ากินนะเป็นอิสระดีนะแต่ว่าช้างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาคงคิดว่าเนี่ยไปหาของป่านี่มันเหนื่อยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าหาของกินง่ายๆแบบนี้แหละนะมารอรถอ่อยกันแล้วกันนะ เรียกว่าอ้อยมาถึงที่เลยนะเรียกเรียกว่าหมูมชนปังตอเนี่ยไปหาอาหารนี่มันเหนื่อยรอให้อาหารมาถึงตัวดีกว่านับว่าเป็นช้างที่ฉลาดนะแล้วก็กล้า ด, ด้วยนะรู้ว่ากล้าตรงที่ว่าเนี่ยขวางถนนเนี่ยไม่กลัวรถชนเรื่องก็ต้องฉลาดนะเพราะรู้ว่าถ้าขวางแล้วเนี่ยรถจะหยุดยก็ทําทเงียนนะ แล้วก็คงจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าหน้าไหนเนี่ยเป็นหน้าอ้อยนะอย่างเช่นช่วงเนี่ยช่วงปลายปปีเนี่ยชาวบ้านก็จะตัดอ้อยกันแล้วขนอ้อยนะขึ้นรถช้างก็รู้นวาวนานเนี่ยรถอ้อยเนี่ยจะผ่านาทางเส้นนี้อันนี้เรียกว่าเขามีความจำเขาจาได้เขาจำได้นะว่าเนี่ย พอถึงปลายปีหรือต้นปีเนี่ยรถอ้อยจะบรทุกอาหารมาให้เขาเนเขาก็จะมาดักรอเลยถ้าเป็นเทศกาลอื่นหน้าอื่นก็ ก, ก, ก็ไม่นะไม่มาดักรอนะนั่นนี่เรียกว่าช้างนี่มีทั้งความฉลาดทัความกล้าแตม่มันมีมากกว่านั้นนะคือเวลาช้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยคว้าหรือม้วนนะอ้อยเนี่ยจากรถ เขาจะเอาแค่ฟอนเดียวนะนะเขาจะเอาอ้อยแค่ฟอนเดียวพอได้แล้วก็ก็ปล่อยลดไปแล้วก็รอรถคันต่อไปรถคันต่อไปมาเขาก็หยุดแล้วก็เอาอ้อยแค่ฟอนเดียวไม่ทำไมเขาไม่หยุดลดคันนั้นแล้วก็กินอ้อยให้หมดลดไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยกินหญ้าเนี่ยกินอาหารนี่วันละสองร้อยกิโลนะ เพราะนั้นเนี่ยแค่รถอ้อยคันเดียวนี่เขาไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเขาก็แค่อ่กินอ้อยในรถคันนั้นแค่คันเดียวก็พอแล้วแต่เขาไม่ทํางั้นนะเขาแค่เอาแค่ฟอนเดียวเหมือนกับว่าขอขอกันกินอ่ะข อ, อกันนิดหน่อยหรือว่าจะเรียกว่ารู้จักพอก็ได้นะไม่เอามากไม่โลบมากถ้าเป็นคนเรานะโอ้ย จะโลบมากนะแต่อ้อยแต่ช้างตัวนี้ไม่โลบมากเลยเอาแค่ฟ่อนเดียวแล้วก็ปล่อยก็คงจะรู้ว่านที่ไหนหน่อยเนี่ยก็คงจะไม่รบกวนมนุษย์เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะช้างตัวนี้เนี่ยมันก็รู้จักพอนะตรงที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาก็เลิกขวางถนนลและวพออะไรเพราะเขาอิ่มแล้ว พอได้มันไหลายฟ่อนเขาก็อิ่มพราะเาอิ่มเขาก็กลับนะเข้าป่าคนเราเนี่ยนะฉลาดยังไงนะแต่ว่ามีทิศสายเสียงนะั้นคือไม่รู้จักอิ่มนะไม่รู้จักพอเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการอิ่มท้องนะเราต้องการอย่างอื่นด้วยนะถ้าความสูงคนเราเนี่ยเพียงแค่อิ่มท้องเนี่ยเราก็จะรู้จักพอเพราะว่าท้องเราเนี่ยมันมีปริมาตรจํากัดนะเหมือนช้างเนี่ย ทองช้างนี่มันใหญ่แค่ไหนมันก็ปริมาตรจากัดนะกินอาหารไปได้สองรกิโลก็พอแล้วนะไม่รบกวนใครแล้วไม่ไปแย่งใครแต่คนเราเนี่ยนะเราไม่ได้ต้องการแค่อิ่มทองนะเราต้องการอะไรมากกว่า น, นั้นต้องการเงินต้องการทองไอและพวกนี้เนี่ยมันไม่มีความรู้จักอิ่มนะเพราะสะสมมากเท่าไหร่ก็ได้เงินเนี่ยสะสมมากเท่าไหร่ก็ได้ไมื่เหมือนอาหารอาหารนี่มันถ้าเต็มท้องเราเราก็พอแล้ว เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าอิ่มเมื่อไหร่เราก็ไม่อยากกินแล้วแต่มางทุกข์เราต้องการมากกว่านั้นนะมันจะเกิดความไม่รู้จักพอนะซึ่งก็ทําให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักพอบั้งนะโอ้เหมือนช้างตัวนี้เนี่ยมันก็โลกนี้จะมีสันติสุขขึ้นเยอะนะแม้จะเบียดเบียนก็เบียดเบียนนิดหน่อยเรียกว่าขอกันกินขอกันใช้แล้วก็ไปอันนี้ถ้าเรารู้จักเรียน นะจากช้างมัง่งหรือจากสัตว์มั่งว่ า, ารู้จักพอรู้จักพอเราก็จะมีความสุขได้ง่ายแล้วก็โลนี้ก็จะมีสันติสุขได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่